ความหลังในสังสารบทที่สิบสี่งานสร้างคนเวลาตีสสมภานวัดป่ามะม่วงเดินจากกุฏิไปยังหอประชุม เพื่อนำญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมทำวัดเช้าในขุนทองถือย่ามตามมาส่งโยมชาญกรสีทิพาเป็นเจ้าภาพใหญ่สร้างหอประชุมหลังนี้เสร็จสิ้นลงก่อนที่ท่านจะประสบอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักเมื่อปีพุทธศักราช2521ก่อนหน้านี้มีเศรษฐีสี่คนมาจากสีทิศจะสร้างให้แล้วก็ได้ตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าว่า หอประชุมเจริญชยัยโดยนำชื่อของท่านมาต่อกับชื่อของพวกเขาซึ่งมีคำวาา่าชัยลงท้ายชื่อทุกคนครั้นเศรษฐีทั้งสี่ถูกท่านลองใจก็เกิดศรัทธาสันคลอนพากันหายหน้าหายตาไปโยมชานจึงชักชวนญาติสนิทมิสหายผู้มีศรัทธามั่นคงมาร่วมทำบุญการสร้างบังเอิญปีนั้นท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นเอกที่พระครูภาวนาวิสุดโยมชานจึงขออนุญาตใช้ชื่อว่าหอประชุมภาวนากรศรีทิพาท่านเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาที่ในขุนทองซึ่งทาหน้าที่เป็นพิธีกรจุดเทียนชนวนรอไว้กราบพระรัตนตรัยสามครั้งแล้วจึงรับเทียนชนวนจากพิธีกรจุดเทียนเล่มขวามือของพระพุทธรูปและก็จุดเล่มซ้ายมือ เทียนเล่มแรกที่ท่านจุดเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนพระธรรมเล่มที่สองแทนพระวินยัยที่ต้องจุดเล่มขวามือของพระพุทธรูปก่อนเพราะพระธรรมเกิดก่อนพระวินยัยพระธรรมหรือธรรมมีความหมายหลายอย่างคือหมายถึงสภาพที่ทรงไว้ธรรมดาธรรมชาติสภาวธรรมศสัจธรรมความจริงเหตุต้นเหตุปรากฏการณ์ความถูกต้องความดี ความประพฤติชอบหลักการแบบแผนธรรมเนียมหน้าที่ความยุติธรรมและเมื่อเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตรัสรู้ธรรมแล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนแก่มวลมนุษยชาติธรรมจึงมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้นพระวินัยคือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่างๆของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์จุดเทียนแล้วจึงจุดทูบสามดอกเรียงจากขวาไปซ้ายทูบสามดอกเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนพระพุทธคุณสามได้แก่พระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณเมื่อจุดทูบสามดอกแล้วจึงส่งเทียนชนวนคืนพิธีกรกราบอีกสามครั้งกราบอีกสามครั้ง จากนั้นจึงกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยโดยกล่าวนำธีระบรรทัศผู้ปฏิบัติธรรมว่าตามจบแล้วต่อด้วยปุพพพาคมนาการพระอาจารย์นำว่าหันทะมายางพุทธะภควัตโตปุพพพาคมนาการังกรโรมาเสผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่นโมตัสะภควโตไปจนถึงสัมมาสัมพุทธะัะ โดยว่าอย่างนี้สครั้งจากนั้นเป็นพุทธาพิธุติพระอาจารย์นำว่าหันทามยังพุทธาพิธุติงกโรมาเสผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่โยโสถาคโตไปจนถึงตมะหังภะควันตังสิระสาณา ม, ามิแล้วต่อด้วยสังคาพิธุติพระอาจารย์นำว่า หันทะมยังสังคาพิทูติงกะโรมาเสผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่โยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังคโคลไปจนถึงตะมหังสังคังสิรสานะมามิต่อจากสังคาพิทุติเป็นรัตนตยัปปนามคถาพระอาจารย์นำว่าหันทะมยังรัตนตยัปปนามขถาโย เจวะสังเวคปริกิตตนาปาทันจะพนามะเสผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่พุทโธสุสุทโธทกรุณามหานันนโวไปจนถึงมาโหนตุเวตัสะปภาวิสิทธิยาต่อด้วยสังเวคปริกิตตนาปาถะเป็นบทสุดท้ายพระอาจารย์นำว่าอิทัตถาคโตโโลเกอุปโน ผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุโทโธไปจนถึงอิมัสสะเกวรัสสะทุกขกขันทัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุลำดับสุดท้ายเป็นบทกรวดน้ำตอนเช้าคือเทวตาที่ปฏิธานนักาหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ากรวดน้ำยาเทวตาพระอาจารย์นำว่า หันทมามยังเทวตาที่ปฏิทานคถาโยพนามเสผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีไปจนถึงเอวังธรรมเณรราชาโนปชางรักขันตุสัพพธาเป็นอันจบคำทำวัดเช้า ก่อนให้ผู้ปฏิบัติทําเดินจงกรมพระอาจารย์ถามพวกเขาว่าอาจารย์ยุพินสอนการเดินจงกรมระยะที่เท่าไรแล้วระยะที่หนึ่งครับระยะที่หนึ่งค่ะผู้ปฏิบัติชายหญิงตอบพร้อมกันแล้วเดินกันได้หรื อ, อยังได้แล้วครับได้แล้วค่ะถ้าเช่นนั้นเดินระยะที่สองกันเลยดีไหมดีครับดีค่ะไม่ดีใจเย็น โยมใจเย็นๆช้าๆได้ปลาสองเล่มงามท่านเบรกเมื่อเห็นญาติโยมตอบพร้อมเพลียงกันมากเกินไปจนไม่ปกติทําไมถึงไม่ดีคะผู้ปฏิบัติหญิงถามพระอาจารย์ตอบว่าก็จะเดินเกินหน้าเกินตาพระอาจารย์น่ะสิสมัยที่อาตมาเรียนที่คณะห้าวัดมหาธาตุอาจารย์ของอาตมาชื่อมหาหนู ท่านให้เดินระยะที่หนึ่งนานเท่าไรรู้ไหมกว่าท่านจะยอมให้ขึ้นระยะที่สองสวันหรือครับผู้ปฏิบัติชายทั้งตอบทั้งถามมากกว่านั้น7วันครับมากกว่านั้นอีกหนึ่งเดือนค่ะผู้ปฏิบัติหญิงตอบยังไม่ถูก2เดือนครับบุรุษหนึ่งตอบแบบตั้งใจประชด หากท่านกลับชมว่าถูกต้องโยมทายแม่นมากอาจารย์มหาหนูให้อัตมาเดินระยะที่หนึ่งอยู่ถึงสองเดือนอัตมาแอบคิดในใจว่าท่านอิจฉาลูกศิษย์กลัวลูกศิษย์เก่งเกินแล้วพระอาจารย์โกรธท่านไหมคะไม่โกรธแต่ไม่พอใจอัตมาไม่พอใจและรู้สึกเสียใจที่อาจารย์อิจฉาลูกศิษย์ คิดจะหนีกลับวัดหลายครั้งแต่ก็ทำไม่ได้เพราะถ้ากลับก็จะอับอายขายหน้าเพื่อนพระด้วยกันและที่สำคัญกว่านั้นคือถูกสมภารเล่นงานแน่นอนตอนนั้นอาตมาเป็นพระลูกวัดยังไม่ได้เป็นสมภารแต่ไม่ใช่วัดนี้นะอาตมาบวชที่วัดพรมบุรีซึ่งมีหลวงพ่อชอบเป็นสมภาร พอพระอาจารย์ได้ขึ้นระยะที่สองแล้วอีกกี่เดือนจึงได้ขึ้นระยะที่สามครับบุรุษคนที่ตั้งใจประชดถามแบบตั้งใจประชดอีกเขาเริ่มท้อแท้และไม่อยากจะสร้างความดีด้วยรู้สึกว่าการสร้างความดีนี้แสนยากพระอาจารย์อ่านใจสิทธิ์ออกจึงบอกไม่ให้สิทธิ์คิดท้อแท้อย่าท้อแท้ถ้าท้อแท้จะแพ้ตลอดชีวิต การสร้างความดีนี้แสนยากก็จริงแต่อาตมาอยากจะนำคําสอนของโยมยายที่สอนอาตมาว่ายากแท้แต่ไม่เคยแต่ถ้าเคยเสีแล้วก็ไม่ยากหมายความว่าอย่างไรครับสิทรู้สึกทึ่งที่พระอาจารย์อ่านใจเข้าออกก็หมายความว่าที่เราเห็นว่ายากเพราะเราไม่เคยแต่ถ้าเราเคยเสยแล้วก็ไม่ยากจริงไ้ย ผมยังตอบไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะผมยังไม่เข้าใจครับผมต้องกราบขอโทษพระอาจารย์ที่ผมเกิดมางอ้อแต่ถ้าพระอาจารย์กรุณายกตัวอย่างผมอาจจะเข้าใจก็ได้ครับถ้าอาตมายกตัวอย่างแล้วโยมยังไม่เข้าใจอีกล่ะจะให้อาตมาทำอย่างไรพระอาจารย์ถามยิ้มยิ้มนึกเอนดูสิทธาทางซื่อคนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้นพระอาจารย์ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะครับผมจะทำตัวเองโยมจะทำอะไรจะฆ่าตัวตายหรืออย่านะบาปมากเชียวและถ้าทําอย่างนั้นเพราะนอกจากตายไปตกนรก500ชาติแล้วภายหลังมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยังต้องมาฆ่าตัวตายติดๆดกันถึง7ชาติท่านพูดด้วยความเป็นห่วง ผมไม่เคยคิดฆ่าตัวตายหรอกครับพระอาจารย์อยากคิดมากผมเพียงแต่จะบอกว่าถ้าพระอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วผมยังไม่เข้าใจผมก็จะทําตัวเองด้วยการเป็นควายให้เขาใช้ไถนาครับเขาเว้าซื่อๆพระอาจารย์ออกเป็นห่วงสุขภาพจิตของเขาจึงถามด้วยน้ําเสียงอาทรว่าเครียดเกินไปหรือเปล่าทําใจสบายสบาย อย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรจนเกินไปพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสัพเพธรรมานานังอภินิเวสายะแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่มาในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่สิบสองข้อที่434หน้าที่464นะ พระอาจารย์อัญเชิญพระพุทธวจนะมาหมายช่วยด้วยความหวังดีแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าความหวังดีของท่านกลับทําให้เขาไม่เข้าใจมากขึ้นผมขอสักตัวอย่างหนึ่งได้ไหมครับที่จะทําให้ผมเข้าใจคําพูดของโยมยายพระอาจารย์ที่ว่ายากแท้แต่ไม่เคยนะครับสิทธิพยายามจะช่วยอาจารย์เช่นกันถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน โยมเคยเรียนพิมพ์ดีดไหมเคยครับตอนเรียนใหม่ๆยากไหมยากครับต้องท่องพอหอกอคอเอกอสอวอแล้วก็หัดพิมพ์ช้าๆพอพิมพ์เก่งแล้วเป็นอย่างไรสบายมากครับผมพิมพ์เร็วเป็นเข้าตอกแตกเลยนั่นแหละยากแท้แต่ไม่เคยก็เหมือนตอนหัดพิมพ์ดีดนั่นแหละคือ ต้องท่องฟอหอกอดอเอกอาสอวแต่พอพิมพ์คล่องแล้วสบายมากเหมือนเคยแล้วมันก็ไม่ยากอีกต่อไปทีนี้เข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจจำแจ้งแดนแจเลยครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับเขาประนมมือไหว้ท่านหนึ่งครั้งตาฉายแววแห่งความสุขที่สามารถเข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์สอนแต่ พระอาจารย์เองกลับรู้สึกว่าไม่เข้าใจสิทธิที่ท่านสอนเท่าไหร่นักขณะนั้นเวลาตีสท่านทำวัดเช้าเสร็จเวลาตีสคิดว่าจะแนะนำผู้ปฏิบัติสัก1ินาทีจากนั้นจึงจะให้เดิน45นาทีนั่ง45 ก็จะได้เวลารับประทานอาหารพอดีแต่นี่เกินเวลาไป10นาทีจึงเหลือเดิน40นั่ง40ความจริงท่านมีความตั้งใจที่จะใช้เวลา10นาทีหลังจากทําวัดเช้ามาบรรยายอนิสงส์ของการเดินจงกรมหากก็ต้องผิดแผนเพราะคําถามเพียงข้อเดียวท่านต้องใช้เวลาอธิบายถึง20นาทีกว่าคนฟังจะเข้าใจจึงจําต้องเปลี่ยนแผนใหม่ เอาละนี่ก็ตีสี่สสแล้วประเดี๋ยวอาตมาจะให้เดิน40สนาทีนั่ง4ี่สบนาทีเดินเท่าไรนั่งเท่านั้นต้องให้สมดุลกันอาตมาจะปฏิบัติเป็นเพื่อนให้อาจารย์ยุพินคอยจับเวลาเข้าใจตามนี้แล้วก็ลุกขึ้นอาตมาจะขึ้นไปเดินบนเวทีใครที่ยังเดินไม่คล่อง ก็ให้ดูอาตมาเป็นตัวอย่างถ้าเดินได้ถูกต้องคล่องแกลวกันทุกคนแล้วจะได้เดินระยะที่สองกันต่อไปท่านพยายามให้กำลังใจทั้งที่รู้ว่าเป็นไปได้ยากที่ผู้ปฏิบัติจะเดินได้ถูกต้องคล่องแกล้วกันทุกคนทั้งนี้เพราะความอ่อนแก่ของอินทรีย์ในแต่ละคนไม่เท่ากันเมื่อได้กำลังใจจากพระอาจารย์ ผู้ปฏิบัติทุกคนทุกศาสนาต่างก็พากันเดินอย่างตั้งอกตั้งใจไม่มีผู้ใดคิดท้อถอยหรือท้อแท้แม้แต่มารดาแม่เชิญศรีที่กำลังป่วยไข้ยอยู่ในวัยชาราฝ่ายแม่พินก็ช่วยดูแลแก้ไขให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจและยังเดินไม่ถูกต้องด้วยต้องการบุญกุศลอันเกิดจากการอุทิศตนให้กับงานสร้างคน ตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าถ้าหายจากโรคมะเรง็งจะมาช่วยท่านพระครูผู้มีพระคุณสอนกรรมฐานอันเป็นงานสร้างคนเพื่อที่คนจะได้สร้างชาติต่อไปพระอาจารย์ขึ้นไปเดินจงกรมบนเวทีเพราะมีเจตนาที่จะดูผู้ปฏิบัติให้ทั่วถึงว่าแต่ละคนเดินถูกต้องหรือผิดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ และที่สำคัญกว่านั้นก็คือจะได้ไหววานเห็นหนอช่วยสำรวจตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติกว่าร้อยชีวิตนี้มีวัตถุประสงค์ในการมาอย่างไรบ้างมาด้วยศรัทธาเพื่อสร้างความดีให้ชีวิตมาเพื่อแก้บนมาเพื่อเรียนวิชาแก้ปัญหาชีวิตมาเพื่อจะดูเลขเอาไปแทงหวย หรือมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้เห็นหนอบอกในฉับพลันว่ามาด้วยศรัทธาร้อยละห0มาเพื่อแก้บนร้อยละ20มาเพื่อเรียนวิชาแก้ปัญหาชีวิตร้อยละ15มาเพื่อจะดูเลขร้อยละส0ส่วนมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นมีน้อยที่สุดคือร้อยละหพระอาจารย์รู้สึกพอใจ ที่ผู้มาด้วยศรัทธามีจํานวนมากที่สุดท่านจึงเดินอย่างเชื่องช้าและมีสติเพราะจะต้องทําตนเป็นแบบอย่างของคนกว่าร้อยชีวิตขณะที่ท่านกําลังเดินอย่างขมักขม่นอยู่นั้นเห็นหนอก็กระซิบข้างหูว่าดูผู้หญิงคนนั้นเดินสิเหมือนจะรีบไปตามควายอย่างนั้นแหละวิจัยซิว่าทําไมถึงเดินเร็วอย่างนั้นไม่ว่าง ก็เห็นหนาททำไมไม่วิจัยเองละ่ะพระอาจารย์เกียงเห็นหนาไม่วิจัยจะไปแล้วจะรีบไปไหนละ่ะหรือว่าหิวข้าวอาหารเช้าเขาให้กินเจ็ดโมงท่านต่อล้อต่อเทียงกับเพื่อนตายไม่มีเสียงโต้อตอบแสดงว่าเพื่อนตายของท่านไม่อยู่แล้วท่านจึงต้องปลายตาไปดูที่ผู้กำลังเดินอยู่ด้านล่างเวที เห็นสตรีผู้หนึ่งเดินอยู่แถวหน้าสุดเดินเร็วเหมือนจะรีบไปตามควายดังที่เพื่อนตายของท่านรายงานคราวนี้ท่านต้องพึ่งรู้หนอจึงกำหนดรู้หนอช้าช้าสามครั้งรู้หนอรู้หนอรู้หนอจึงรู้ว่าสตรีผู้นี้มาปฏิบัติด้วยมีวัตถุประสงค์จะมาเรียนวิชาแก้ปัญหาชีวิต หล่อนรู้ระแคะระคายมาว่าสามีนอกใจไปมีหญิงอื่นหล่อนจะปฏิบัติให้ได้เห็นหนอจะได้เห็นกับตาว่าสามีไปมีผู้หญิงซุกซ่อนไว้ที่ใดและเมื่อตอนเช้ามืดก่อนที่หล่อนจะได้ยินเสียงระกคังปลุกตอนตีสามหล่อนฝันเห็นสามีไปอยู่กับหญิงสาวในบ้านหลังหนึ่งผู้หญิงคนนั้นสวยและสาวกว่าหล่อนหล่อนรู้สึกหงุดหงิดงุนง่านอยากจะกลับบ้านไปดูให้เห็น จะๆเลยว่าจริงหรือไม่ถ้าจริงก็แปลว่าหลอนได้เห็นหนอแล้วครั้งแรกหล่อนตัดสินใจจะหนีกลับบ้านหากก็กลัวว่าจะต้องตายเพราะมีเจ้ากรรมในเวรรออยู่เหมือนที่พระอาจารย์พูดกับชายที่มาปฏิบัติคนนั้นหลอนจึงตัดสินใจไม่ถูกว่าจะกลับหรือไม่กลับดีเมื่อเดินจงกรมแทนที่จะกาหนดขวายย่างหนอ หรือซ้ายย่างหนออย่างช้าๆหล่อนกลับกำหนดใหม่อย่างเร็วๆเป็นกลับไม่กลับกลับไม่กลับกลับไม่กลับกลับไม่กลับไม่กลับไม่กลับอยู่อย่างนั้นอออย่างนี้นี่เองพระอาจารย์พูดในใจหากก็รู้ว่าถ้าลงจากเวทีไปบอกหล่อนก็จะทำให้คนอื่นๆพลอยเสียสมาธิไปด้วย ปล่อยให้หล่อนเดินบริกรรมกลับไม่กลับไปจนถึงเวลานั่งจึงค่อยโทรจิตไปบอกคิดดังนี้แล้วท่านจึงเดินต่อไปตามปกติแต่แล้วความไม่ปกติก็เกิดขึ้นเพราะผู้ปฏิบัติคนอื่นๆพากันมองมายัางสตรีคนนั้นจนทําให้เสียสมาธิไปตามๆกันพระอาจารย์ส่งสายตาไปบอกพวกเขาว่าอย่าไปสนใจ ท่านปลายตาไปมองสตรีคนนั้นอีกครั้งแล้วจึงเดินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกคนที่มองก็พากันคิดว่าขนาดพระอาจารย์ยังไม่สนใจหล่อนแล้วพวกเขาจะไปสนใจให้เสียเวลาเดินจงกรมทําไมส่วนอาจารย์ยุพินซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติรู้เรื่องของหล่อนจากการรายงานของเห็นหนอจึงไม่ไปบอกหล่อนให้เดินช้ า, ชา เหมือนอย่างคนอื่นเห็นหนอมีค่ามหาศาลจริงดังที่หลวงพ่อท่านพูดไว้ทุกประการหมดเวลาเดินอาจารย์ยุพินบอกให้ผู้ปฏิบัติหยุดเดินแล้วกำหนดกลับมายังแถวของตนของตนเพื่อเตรียมนั่งเมื่อกลับมาถึงแถวของตนซึ่งระยะทางไม่เกิน7 9หก้าหันหน้ามาทางเวทีกำหนดยืนหนอหครั้ง และอยากนั่งหนอสามครั้งต่อจากนั้นจึงปลดมือที่คว้ยหลังอยู่ให้ลงมาแนบลำตัวโดยกำหนดที่มือข้างซ้ายก่อนด้วยการบริกรรมว่ายกหนอลงหนอปล่อยหนอแล้วกำหนดที่มือข้างขวาโดยทำอย่างเดียวกันเมื่อยืนอยู่ในท่ามือทั้งสองแนบลำตัวแล้ว จึงกำหนดนั่งโดยก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าครึ่งก้าวกำหนดว่าก้าวหนอต่อจากนั้นจึงกำหนดนั่งตามอาการที่เป็นจริงจึงประมวลได้ประมาณ1 4หนอดังนี้ย่อหนอเมื่อย่อตัวลมลงหนอลงหนอลงหนอเมื่อทิ้งตัวลงช้ า, ชา ถูกหนอเมื่อหัวเข่าข้างซ้ายถูกพื้นถูกหนอเมื่อหัวเข่าข้างขวาถูกพื้นเท้าหนอเมื่อมือทั้งสองข้างเท้าหรือยันพื้นไข้หนอเมือ่อไข้ขาทั้งสองข้างโดยขาขวาอยู่ในขาซ้ายอยู่นอกลงหนอลงหนอ เมื่อทิ้งก้นลงถูกหนอเมื่อก้อนถูกพื้นนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ววิธีการนั่งสมาธิมีสามแบบได้แก่แบบชั้นเดียว โดยงอขาข้างซ้ายเข้ามาก่อนแล้วจึงงอขาข้างขวาเข้ามาทั้งขาซ้ายและขาขวาวางบนพื้นแบบสองชั้นงอขาข้างซ้ายเข้ามาก่อนมือขวาจับข้อเท้าขวายกมาวางทับขาอ่อนข้างซ้ายแบบ3ชั้นหรือที่เรียกว่าสมาธิเพชร มือขวาจับข้อเท้าซ้ายยกมาวางทับขาอ่อนข้างขวามือซ้ายจับข้อเท้าขวายกมาวางทับขาอ่อนข้างซ้ายในการนั่งไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัตินั่งแบบชั้นเดียวต้องนั่งแบบสองชั้นหรือแบบสามชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งพระอาจารย์หันหน้ามาทางผู้ปฏิบัติ อาจารย์ยุพินทำหน้าที่ควบคุมดูแลจึงไม่นั่งแต่คอยดูว่าผู้ใดนั่งหลังงอหรือนั่งไม่ถูกวิธีก็จะเดินไปกระซิบให้นั่งหลังตรงหรือนั่งให้ถูกวิธีขณะเดียวกันก็ต้องคอยจับเวลาอีกด้วยครันเหลือไปเห็นสตรีคนที่เดินเร็วๆยังเดินอยู่ทั้งที่คนอื่นนั่งกันหมดแล้วจึงเดินไปบอกหลอนให้นั่ง ลอนเดินเร็วๆไปนั่งในแถวของหล่อนซึ่งอยู่แถวหน้าสุดกําหนดนั่งดังที่อาจารย์ยุพินสอนนั่งเรียบร้อยแล้วแทนที่จะบริกรรมว่าพองหนอยุกหนอกลับบริกรรมว่ากลับไม่กลับกลับไม่กลับเหมือนตอนที่เดินเพราะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว แต่ไปอยู่กับสามีที่หล่อนไปยึดติดถือมั่นคนนั้นฝ่ายพระอาจารย์เมื่อนั่งแล้วก็กําหนดรู้หนอและรู้ว่าหล่อนนั่งเรียบร้อยแล้วทว่านั่งกําหนดกราบไม่กราบกราบไม่กราบกราบไม่กราบจึงส่งโทรจิตไปยังหล่อนอย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าแลบท่านได้วิชาโทรจิตมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้นํามาใช้ โบราณท่านสอนว่าของกินไม่แบ่งกันมันจะเน่าเรื่องเก่าไม่เล่ามันจะลืมวิชาโทรจิตก็เหมือนกันท่านได้มานานแล้วหากไม่นำมาใช้เสียบ้างอีกหน่อยก็จะเสื่อมโยมคนนี้กำลังมีทุกข์ใช้วิธีโทรจิตช่วยให้เขาหายทุกข์คงไม่ผิดกติกาท่านส่งโทรจิตไปบอกหลอนว่าโยมห้ามลืมตานะ อาตมามาช่วยแล้วแต่โยมต้องสัญญาก่อนว่าถ้าอาตมาบอกอะไรไปโยมห้ามร้องกรี๊ดนะประเดี๋ยวคนอื่นๆเขาจะแตกตื่นกันหมดถ้าโยมให้สัญญาอาตมาจะช่วยตกลงไหมตอบในใจไม่ต้องพูดออกมารับรองว่าอาตมาได้ยินตกลงค่ะพระอาจารย์ คนที่ใจไปอยู่กับสามีพูดในใจตามที่ท่านตั้งกติกาไวา้เอาละทีนี้อาตมาจะบอกโยมยังไม่ได้เห็นหนออย่างที่คิดตอนนี้ยังไม่ได้แต่เรื่องที่ฝันตอนเช้ามืดนะ่ะเป็นเรื่องจริงขณะนี้พ่อบ้านเขาอยู่ที่บ้านผู้หญิงคนนั้นแต่โยมไม่ต้องเสียใจนะ โยมตั้งใจปฏิบัติแล้วจะได้วิชาแก้ปัญหาชีวิตกลับไปยังไม่ต้องกลับบ้านเพราะกลับไปจะทำอะไรไม่ได้ต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบเจวันก่อนอาตมารับรองร้อยเปอร์เซนตว่าพอโยมกลับถึงบ้านเขาจะรออยู่แล้วเพิ่งกลับจากบ้านผู้หญิงคนนั้นและก็จะไม่ไปอีกเพราะบุญกุศลที่โยมมาปฏิบัติทาให้ผู้หญิงเขาไปพบผู้ชายคนใหม่ เลยตัดสินใจที่จะเลิกกับสามีโยมจะได้ไม่ผิดศีลข้อกาเมแล้วผู้ชายคนใหม่ก็ไม่มีภรรยาหรือคะลลอนถามในใจเกิดเป็นห่วงภรรยาของผู้ชายคนใหม่ของผู้หญิงคนนั้นเขามีภรรยาแต่ภรรยาเ้าตายไปตั้งแต่ปีกลายเขาก็โศกเศร้าถึงภรรยาอยู่ปีเต็มๆพอมาเจอผู้หญิงคนนี้ซึ่งสวยเหมือนภรรยาก่า ก็เลยตกหลุมรักแต่เรื่องของเรื่องก็มาจากบุญกุศลของโยมนั่นแหละท่านสรุปเหมือนนิยายน้ำเน่าเลยนะคะพระอาจารย์นิยายเขาก็เขียนจากชีวิตจริงนั่นแหละแต่ชีวิตจริงของคนบางคนยิ่งกว่านิยายอีกท่านหมายถึงรายขายสามีสองล้านให้เพื่อนพระอาจารย์หมายถึงเรื่องของโยมเหรอคะไม่ใช่อย่าร้อนตัวสิ อาตมาหมายถึงเรื่องหนึ่งหญิงสองชายหนึ่งชายสองหญิงที่เล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ส่วนเรื่องของโยมแค่เหมือนนิยายแต่ไม่ยิ่งกว่านิยายเอาละตกลงตามนี้นะตั้งใจปฏิบัติต่อไปเวลานั่งสมาธิก็ให้บริกรรมพองหนอยุบหนอไม่ใช่กลับไม่กลับอย่าลืมนะ อาตมาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องบริกรรมพองหนอเพราะเรารู้พองก่อนถ้าเราบริกรรมยุบหนอพองหนอถือว่าไม่ถูกเพราะเรารู้ยุบทีหลังเอาละอาตมาไปละห้ามลืมตาถ้าผิดสัญญาทุกอย่างจะล้มเหลวหมดค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ หล่อนพูดในใจแล้วจึงเปลี่ยนมาบริกรรมพองหนอยุบหนอต่อไปพระอาจารย์ต้องการรู้ว่าในบรรดาผู้ที่มาเพื่อจะดูเลขเอาไปแทงหวยซึ่งมีร้อยละสิบของผู้ที่ปฏิบัติทั้งหมดนั้นเขาบริกรรมกันอย่างไรท่านต้องการส่งตัวอย่างเพียงรายเดียวจึงส่งจิตไปยังบุรุษหนึ่ง ซึ่งดูภายนอกนั่งตัวตรงหลังตรงเหมือนดํารงสติไว้มั่นแท้จริงสติของเขากําลังตเตลิดเปิดเปลิงไปอยู่ที่กองสลากกินแบ่งถนนราชดําเนินโน้นสติไม่ได้คุมใจไว้กับพองหนอยุบหนอแต่ไปป้ออยู่ที่หน้ากองสลากท่านจึงต้องอนุเคราะห์ด้วยการส่งจิตไปสอนเหมือนดังที่สงเคราะ์โยมผู้หญิง โยมตั้งสติไว้ที่ลิ้นปีแล้วก็ห้ามลืมตาอัตมารู้นะว่าโยมมาปฏิบัตินี่ไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่มาเพื่อจะดูเลขเอาไปแทงหวยจริงไหมตอบไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวคนอื่นจะได้ยินให้ตอบในใจบุรุษผู้นั้นรู้สึกกลัวจนตัวสัน่นถามในใจว่าตอบในใจแล้วพระอาจารย์จะได้ยินเหรอครับ ได้ยินสินี่เห็นไหมขนาดโยมถามในใจอาตมายังได้ยินเลยทีนี้เชื่อหรือยังล่ะเชื่อแล้วครับผมผิดไปแล้วพระอาจารย์โปรดยกโทษให้ผมด้วยนะครับบุรุษนั้นอ้อนวอนตกลงว่าเชื่อแล้วนะท่านถามอีกเชื่อแล้วครับดีแล้วเมื่อเชื่อแล้วก็ต้องฟังถึงจะเรียกว่าเป็นคนเชื่อฟังอาจารย์สั่งสอน ต้องเชื่อฟังนะท่านสำทับอีกครับพระอาจารย์ผมเชื่อฟังแล้วครับพระอาจารย์โปรดยกโทษให้ผมด้วยนะครับเขววอนและวิงวอนเพื่อให้พระอาจารย์ใจอ่อนทว่าพระอาจารย์ก็ไม่ใจอ่อนเพียงแต่อ่อนใจหากก็ไม่มากนักจึงลองใจเขาว่าทำเรื่องใหญ่โตขนาดนี้จะยกโทษกันง่ายๆได้อย่างไรท่านตั้งใจขู่ ราะคเนดูแล้วว่าเขาจะไม่ถึงกับหัวใจวายตายใหญ่ยยโตทำไมเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วครับผมคิดว่าใครๆเขาก็เป็นอย่างผมมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับพระอาจารย์เขารู้สึกใจฟอแฟแต่ก็ต้องแข็งใจโต้ตอบเรื่องใหญ่โตไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็อาตมาให้ตอบคําถามที่ถามเมื่อตะก้โยมยังไม่ยอมตอบ และจะมาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาพระอาจารย์ถามว่าอย่างไรครับนั่นไงล่ะแค่นี้ก็ยังจำไม่ได้เพราะสติมันมัวแต่พาจิตไปเที่ยวกองสลากท่านพยายามคาดโทษขอความกรุณาพระอาจารย์ถามอีกครั้งได้ไหมครับผมให้สัญญาว่าคราวนี้ผมจะไม่ลืมเขาให้สัญญา ถ้าอย่างนั้นก็ฟังให้ดีคืออาตมารู้สึกว่าโยมมาปฏิบัตินี้ไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่มาเพื่อจะดูเลขเอาไปแทงหวยใช่หรือไม่บุรุษนั้นตกใจนักคิดว่านี่เองที่พระอาจารย์เห็นเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งที่เขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะใครๆเขาก็ทำกันความกลัวพระอาจารย์จะลงโทษจึงคิดปฏิเสธ แต่แล้วเพียงแค่คิดพระอาจารย์ยังรู้เพราะท่านพูดสวนขึ้นมาว่าอย่าปฏิเสธยอมทำผิดก็ต้องยอมรับผิดในความรู้สึกของบุรุษนี้ดูเหมือนว่าพระอาจารย์กำลังยืนพูดอยู่ใกล้ๆด้วยเหตุนี้กระมังพระอาจารย์จึงห้าไม่ให้เขาลืมตาผมผิดไปแล้วครับผมกราบขอโทษคราวนี้เขาคุกเขา่ากราบลงตรงที่คิดว่าพระอาจารย์ยืนอยู่ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเห็นว่าได้ให้บทเรียนเขาพอสมควรแล้วจึงให้อาวาดคือให้คำแนะนำด้วยเมตตาที่ไม่เจือด้วยโทสะว่าโยมถ้าโยมจะมาวัดนี้เพื่อมหาเลขเอาไปแทงหวยละก็โย ม, มาผิดวัดแล้วพระอาตมาไม่เคยให้เลขใครและไม่สนับสนุนให้ญาติโยมหมกมุ่นมัวเมาในการพนัน เพราะนั่นไม่ใช่หนทางดับทุกข์ที่พระพุทธองค์ทรงสอนถ้าโยมอยากร่ารวยอยากมีเงินมีทองมากๆไว้จับใจ่ายใช้สอยโยมก็ต้องปฏิบัติตามที่อาตมาแนะนำโยมเคยได้ยินคาถาหัวใจเศรษฐีหรือเปล่าเป็นคาถาของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ของอาตมาเคยได้ยินไหมไม่เคยครับคาถาหัวใจเศรษฐีเป็นอย่างไรครับ แล้วผมจะไปหาได้จากที่ไหนขอจากพระอาจารย์จะได้ไหมครับถ้าพระอาจารย์ให้ผมแล้วผมเกิดร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีจริงผมจะถวายพระอาจารย์สิบเปอร์เซ็นต์พระอาจารย์ลองคิดดูดีๆนะครับเกิดผมรวยร้อยล้านผมก็ถวายสิบล้านรับรองผมไม่โกงพระอาจารย์สาบานได้ปรุษนั้นพร่ำพรรณนาในใจเพราะท่านไม่ให้พูดออกมา ทั้งยังไม่ให้ลืมตาอีกด้วยน้อยๆหน่อยโ ย, ย, ยมอย่าให้ล้ำเส้นจะไม่เป็นมงคลคำทรงสอนของพระองทเจ้าโยมจะขอจากที่อื่นไม่ได้ต้องทำเองเพราะคถาหัวใจเศรษฐีย่อมาจากทมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะซึ่งได้แก่หนึ่งอุทานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่นคือขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงานประกอบอาชีพอันสุจริตมีความชำนาญรู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตราหาอุบายวิธีสามารถจัดดำเนินการให้ได้ผลดี 2. อ, อรักษคสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคข้ศัพย์ และผลงานอันตนได้ทำไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบทำด้วยกำลังงานของตนไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย 3. กาลยานามิตรตาคบคนดีเป็นมิตรคือรู้จักกำหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัยเลือกเซวนาสำเนียดศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธาศีลจากะปัญญา สสมาชชีวิตตามีความเป็นอยู่เหมาะสมคือรู้จักกำหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดีมีให้ฟืดเคืองหรือว่าสุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายให้รายได้เหนือรายจ่ายมีประหยัดเก็บไว้ทาสีประการนี้ย่อเป็นหัวใจเศรษฐีได้ว่าอุอากะสะ จะรวยได้อย่างไรล่ะครับผมยังไม่เข้าใจหรือว่านั่งท่องอุอากาศทุกวันแล้วเงินจะไหลนองทองไหลามาอย่างนั้นเหรือเปล่าครับเขายังกังขามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกโยมไม่งั้นก็เป็นเศรษฐีกันหมดแล้วนาซีโยมเป็นชาวพุทธใฉไมั้ท่านถามทั้งที่ทราบว่าเขาเป็นชาวพุทธครับพระอาจารย์เขาตอบในใจเพราะไม่ได้ลืมกติกา เป็นชาวพุทธก็ต้องรูจ้จักและก็เข้าใจคำสอนในศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการกระทำคือมีลักษณะเป็นกรรมวาดพระพุทธองค์ทรงเป็นกรรมวาทีแปลว่าผู้กล่าวกรรมไม่สอนให้อ่อนวอนนอนรอคอยผลเหมือนที่บางศาสนาเขาสอนกันอยากรวยก็ต้องลงมือทำคือปฏิบัติตามธรรมสี่ข้อข้างต้น ที่ย่อเป็นอุอากาศก็เพื่อให้จำง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่านำมานั่งท่องนอนท่องแล้วจะรวยเข้าใจหรือยังถ้าไม่เข้าใจอาตมาจะไม่อธิบายต่อแล้วเพราะหมดเวลาพอดีเสียงแม่พินประกาศบอกหมดเวลาและบอกให้ผู้ปฏิบัติกราวคำแผ่เมตตาและอุทิศสุกุศลโดยออกเสียงพร้อมกัน ส่วนพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติท่านจึงถอนจิตออกจากสมาธิแล้วกําหนดฟังหนอเพื่อให้ได้ทราบว่าใครกล่าวผิดกล่าวถูกประการใดจะได้ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นธรรมตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาผู้ปฏิบัติกล่าวคำแผ่เมตตาและอุทิศ ส, ส่วนกุศลคาแผ่เมตตาและอุทิศ ส, ส่วนกุศลที่ถูกต้องต้องมีดังนี้ แผ่เมตตาสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาป ช, ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนางปริหารนตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดอุทิศ ส, ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ บ, บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรูปัจ ช, ชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรูปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังสัพพเทวานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานาังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก да ่เปรต ท, ทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรต ท, ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแ да ก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพสัสตานางโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลเสร็จผู้ปฏิบัติกราบพระรัตนตรยัยแล้วเข้าแถวเดินไปยังโรงอาหารพระอาจารย์เดินลงจากศาลาไปยังกุฏิเพื่อฉันพัฒหารเช้าจากนั้น ก็เตรียมตัวลงรับแขกในเวลาสิบนาฬิกาวันนี้คุณนายเฉลารัฐจะมาปรับทุกข์เป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงท่านจะต้องอนุเคราะห์เพราะต้องการตอบแทนบุญคุณที่คุณนายพยาบาลท่านครั้งที่ท่านไสติ่งแตกบนรถไฟเมื่อหลายปีก่อน